ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพุทพจน์แสดงวิธีปฏิบัติธรรมแนวหนึ่งซึ่งให้เห็นการที่โพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเนื่องอยู่ด้วยกันกับมรรคมีองค์8และเป็นวิธีปฏิบัติที่มองเผินๆอาจว่าง่ายไม่มีอะไรมากคือสําหรับผู้พร้อมแล้วก็ง่ายแต่ผู้ไม่พร้อมอาจยากและอาจต้องปฏิบัติอะไรๆ อ, อื่นอีกมากเพื่อทําให้พร้อมในสลาญตนาวิพังคสูตร มัชฌิมานิกายอุปริปานาฏมีโพธพิพศว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ตามเป็นจริงซึ่งจักสุซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งจักรกุวิญญาณซึ่งจักขุสัมผัสซึ่งเวทนาสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมไม่ติดใครในจักรสุเป็นต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อเขาไม่ติดใครไม่ผูกรัดตัวไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่อุปาทานขันห้าย่อมถึงความไม่เติบขยายต่อไปตัณหาอันนําให้มีพบใหม่ประกอบด้วยนันที่ราคะซึ่งครุ่นใคล่ใฝ่หาในอารมณ์ต่างๆก็ถูกละได้ความกระวนกระวายกายก็ดีความกระวนกระวายใจก็ดีความแผดเผาทางกายก็ดี ความแผดเผาทางใจก็ดีความเร่าร้อนกายก็ดีความเร่าร้อนใจก็ดีก็ถูกละได้เขาย่อมได้เสวยทั้งสุขทางกายทั้งสุขทางใจบุคคลที่เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริใดความดำรินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามใดความพยายามนั้น ก็เป็นสัมมาวายามะมีสติใดสตินั้นก็เป็นสัมมาสติมีสมาธิใดสมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีตั้งแต่ต้นทีเดียวมักมีองแปดอันเป็นอริยะของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ได้ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อเขาเจริญมักมีองค์8อันเป็นอริยะนี้อยู่อย่างนี้แม้สติปัฐานสก็ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์แม้สัมมาปทานสแม้อิทิบาทสแม้อินสี่ห้าแม้ภละหแม้โพชฌงเจ็ดก็ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เขาย่อมมีธรรมสองอย่างนี้คือสมถะและวิปัสสนาเข้าเคียงคู่กันไปทำเหล่าใด พึงกำหนดรู้ด้วยอภิญยาเขาก็กำหนดรู้ด้วยอภิญยาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดพึงละด้วยอภิญยาเขาก็ละด้วยอภิญยาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดพึงให้เกิดมีด้วยอภิญยาเขาก็ทำให้เกิดมีด้วยอภิญยาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดพึงประจักแจ้งด้วยอภิญยาเขาก็ประจักแจ้งด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายทำเหล่าไหนพึงรู้เท่าทันด้วยอภิญยาได้แก่สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันห้ากล่าวคือรูปอุปาทานขันเวทนาอุปาทานขันสัญญาอุปาทานขันสังขารอุปาทานขันวิญญาณอุปาทานขันทำเหล่าไหนพึงละด้วยอภิญยาได้แก่อวิชชา และภาวะตัณหาทำเหล่าไหนพึงทําให้เกิดมีด้วยอภิญญาได้แก่สมถะและวิปัสนาทำเหล่าไหนพึงทําให้ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาได้แก่วิชาและวิมุตติมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งในมูลสูตรอังคุตตระนิกายทัศกนิบาศสรุปธรรมทั้งหมดไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอถูกถามอย่างนี้พึ่งตอบชี้แจงแกเหล่าอัญญะเดรถีปริภาชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าแน่ท่านผู้มีอายุหนึ่งททั้งปวงมีชันทะเป็นมูล 2. ธรรมทั้งปวงมีมณสิการเป็นที่ก่อตัวสธรรมทั้งปวงมีผัสสะเป็นแหล่งเกิด 4. ธรรมทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ชุมนุม 5. ธาทมทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขธรรมทั้งปวงมีสติเป็นเจ้าใหญ่ 7. ธรรททั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่ง 8. ปรรมทั้งปวงมีวิมุตเป็นแกน่น 9. ธราททั้งปวงมีอมะตะเป็นที่อยางลง ทำทั้งปวงมีนิพพานเป็นสุดท้ายอีกแห่งหนึ่งในอาปฏติพยาวกที่5ข้อ245อังคุตระนิกายจตตกานิบาตรัดว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ครองชีวิตประเสริฐประพฤติพรหมจรรย์นี้อันมีสิกขาเป็นอานิสงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งมีวิมุตเป็นแกน่นมีสติ เป็นอธิปไตยชีวิตประเสริฐมีศิกขาเป็นอานิสง์อย่างไรคือศิกขาฝ่ายอภิสมาจารเราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปของผู้ที่เลื่อมใสแล้วศิกขาฝ่ายอภิสมาจารเราบัญญัติไว้ด้วยประการใดๆ สาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทำให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยอีกประการหนึ่งสิกขาฝ่ายอาทิพรหมจันทร์เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงสิกขาฝ่ายอาทิพรหมจันทร์เราบัญญัติไว้ด้วยประการใดๆ สาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทำให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ให้ดางไม่ให้พร้อยชีวิตประเสริฐมีสิกขาเป็นอนิสงส์อย่างนี้แลชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างไรคือทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวกในธรรมวิไนนี้ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงทำทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการใดๆทำเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกมองเห็นจบท้วนโดยประการนั้นๆด้วยปัญญาชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างนี้แลชีวิตประเสริฐมีวิมุติเป็นแก่นอย่างไรคือทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้ เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบด้วยประการทั้งปวงทาทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการใดๆทาเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกสัมผัสดโดยประการนั้นๆด้วยวิมุตชีวิตประเสริฐมีวิมุตเป็นแก่นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยอย่างไรคือสาวกมีสติคอยกากับอยู่เป็นอย่างดีในภายในทีเดียวว่า เราจากบำเพ็ญศิกขาฝ่ายอภิสมาจารย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือส SO e si ิกขาฝ่ายอภิสมาจารย์ที่บริบูรณ์แล้วเราก็จะช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจากบำเพ็ญสิกขาฝ่ายอาทิพรหมจันทร์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือสิกขาฝ่ายอาทิพรหมจันทร์ที่บริบูรณ์แล้วเราก็จะช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้าง ว่าเราจาักตรวจพิจารณาเห็นจบท่วนซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้มองเห็นจบท่วนด้วยปัญญาในฐานะนันน้นๆหรือธรรมที่มองเห็นจบท่วนแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจาักสัมผัสธรรมที่ยังไม่ได้สัมผัส ด, ด้วยวิมุตหรือธรรมที่ได้สัมผัสแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างชีวิตประเสริ มีสติเป็นอธิปไตยอย่างนี้แล